พระธรรมเตศนาจารดเรื่องสังสินธนใจผูกสิบสามเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูป ร, รียธรรมหกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชีงยงใหมนะโมตัสากะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสส โอราจจเปสาณสาตารมารุ่ะเตวิญฺปันสิทบาตุธมาณสอะโหสิตีสาธาโวดุราสปุริตาตั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเทานิยายนี้จักเล่าถึงเต่าเจ้าผาปรา คือผาญากุศราชขึ้นภาษาตหัวใจเล็งและไปสื่นาหันนอลาเตวีตั้งสองสรีกินกู้พ้อมนาโยจอมกันมีผิวพันบ่เศร้าคือเตวีเก้าสุวรรณ น, นับปาะาและป่าตุมมาน่อยหนาตั้งโอรสราชสองสี เต้ายินดีเลือรเล่ลำตาแพร่ไหลลามเก่าวกำงามจื่นจ้อยแก่นยอดซอยเดวีวัดดุระชมสีตั้งกูยังก่อยอยู่เจอย่านในดงดานป่าเตากับโลกเต้าสองขาฝุงโรกาผ่านหาดและอุบาทบนตาไรเคาะตั้งลายหน่อยใหญ่ บ่มาไกลสันดานจุ่มยากมันพี่ป่าบ่มาลาราวีตั้งเสือมีแรจ้างเขาบ่อ้างมาเบียนจรือเมือนนั้นสองเจียงจันติวีอันจุลีน้อมใบึ่งตาวไทยราชาไขาขีน่าบอกเล่าตั้งแต่เก้าถึงปัา ด้วยปาริยไยบ่น้อยว่าโมูฆะถอยสามานยู่สถานเมืองใหญ่เป็นหากไหลจำนีตัวบดีต่ำจ้าเป็นเจ้อคาคนในลูกสายใจน้อยหนาเจือห้าวหาาธรรมจักกะตํ้มไผ่ไตเฮือโศกไป่มองขี จิงได้ดีภาคนามาอยู่ป่าดงดอนบ่าอาวอวนกันยากบ่อลำบากเครื่องใจกลางดงไพรป่ากวางไผบ่าออังราวี <c oughs> สัดรรยมีหลายแหลมันบ่อแพมาหาฝุงโรกาเหมยไข่เคาะถอยไร่อนตายบ่อมาไก่ถูกต้อง ยังแห่งห้องอินทีสต์สดีคำเจ้าตั้งลูกเต้าใสาใจสัตว์ในไพรเต็มป่ามันบอกว่าคนใดบ่อสอไัยสักผู้ต่างกินอยู่ไพรมันบ่อเตียนควันว่าายบ่อจ้างไล่มุสาตนราชาป็นเก่าสเสด็จเข่าดงไพร มีหัวใจว่องคองจิตเจตองสิ่งสังจารือจากมาตัยขาหือความนาเบื่อมอนขอผู้ทอนปีเต้าจุงบอกลกาวตามมีแดดเตอรเ <c oughs> มื่อนั้นผดยากุศลศาสยาสะอาดหรือซาฟังกำจากาวาถอยแห่งยอดซอยเตวีใจบอดีฝันไม่ร้อนไรไข่ตั้งตัว เจ้าเนื้อหัวยดย่าจริงต้านกก่าวกำไปว่าดูราสรีนงไว้ตั้งกู่ปีบ่หอู อ, อบายโมหาลายเมืดเศร้าจริงจำเจ้านี่มาย้อนโหราปูเทากับนางแบบ้ า, าเตวีหกนางมีสวยแสงจุหลายแทงแปงกำฮือปีจำเจ้าน้องปัดผ่าค้องปารา มาดีนาปีรู้ว่าซองกินกูน้องไว้กับใส่ใจลูกแกว้วบุญจัดแล้วมีหลายส่วนหกใจหนุ่มเนาลูกหกนางบาเศร้าเทวี <c oughs> บุญบอมีสักญาตบอกกวรสเสวยราแตนเมืองปียินเครืองสกไม่จริงเขา้าป่าไม่มาหาขอสายตาน้องเนา่ากับลูกเต้าใส่ใจ ป่อขึ้นไปอยู่สางตีเมืองกวางนากรใจเป็นดังไหนหลวงแล้วคอน่องแก้วอยาคืนกำ้แดดเตอรอเมือนนั่นสองเทวีดาไทยจริงน้อมไว้ไขจาวาค่าแด่มหาราชเจ้าข้าน่องเด้าตั้งสองใจบ่อปองชักกว่า เปีกปอกนาเวียงใจอยู่ดงไพรป่าไม้บ่อเดือดไม่ขี้สั่งไฟบ่อจังจะเล่าแม่นปอกเตาเมืองเมืองเดียวบุญเรื่องเต้าไทย <c oughs> บังเกิดใดโกธาจักจำมาแถมเล่าอยู่ีเก่าดงรีคนบ่ดีถอย้าเชื่อจัดขาคนไหนบ่กวนไปร่วมคัง กาบเจ้าจ้างหอคำบนบ่นำหมากเต้าดังหกเจ้าเทวีจิงได้เนี่จากห้องมาอยู่ต้องดงไพรจากอยู่ไปใจใจตามวิบากใดป่ามาขอราชาเป็นเจ้าจุงปอกเต้าไปพันค้าบ่อพันจักกว่า ปิกไายนาเมื่อเมืองสองบญเรื่องอาข้าน้อมไว้เก่าลายพระการก็มีันและนา <c oughs> กันนางเตวีเก่าแล้วเต้าตนแก้วกุดสาราพระจ้าติงไค่จะาตอบถอยว่าดูร้านยอดซอยสายใจ โบราณไข่แต่เก้าว่าคนกำเก่าพิษกันจุงใจมันแผ่กวางยาเก่าอ้างกำออนปีอาวอนร่อนใมเหตุว่าได้พิษลายน้องยาไมยเมียดมันปีอสอดดันมาหาจุงคุณนาผายโพอดอดกด็ตอดวางตำเป็นดังกำแต่ก่อนเจนปูมอนซอนไข่ ว่าพระจันทร์ใสสองฝ้าราหูการาวิปารามีจักกวางย้อนมานล้างเตจิ้งจอมนางยิงน้องเนา ว, ว่าวิบากเก่านางมีจิงได้เนจักหองมาอยู่ต้องดองนาบันินาวิบากอันนางหากไขปัน ปีตัดฟันขาดแล้วคอน้องแกวขึ้นไปอยู่เวียงใจดังเก่าไปเป็นเจ้าหอคำเว้นและกำใหญ่น้อยจะกาดก้อยสูนหายย้อนใจพายแผ่กว้างสวะขวาสวะละขวางตุมว่างขอยิงทางน้อยนาจุงละขาโตัวา <c oughs> อย่าโกธาโคธใหม่อดเยืนไว้เป็นดีคือคันติปารมีวิเศษทรงข้ามเขตทรงสารถึงนิพพานกำนาการโคตรกาบาเป็นยาขอสายตาลองไทยปออดไวสักคกำเจ้าหอคำกุศลกับสองนาติวี <c oughs> ไห้เตวีตอบถอยมีบ่อน้อยลายพากการต่างจะคานตอบทองตัดตีห้องหอไหนก็มีฮันเลยนะอาจนั้นะญากุษราตจะอาจเจงซาจริงพุทธชาทำเล่าซึ่งลูกเตาใส่ใจว่าเจ้าไปป่าไม่ ตวยวซอไซสแวงหาเอายังอายอดซอยกับลูกน้อยนองไวเป็นสันไดตัวเจ้าบอส่งเข้าเมืองเมืองเรือแก่นเครื่องป่อไทยบอย่อไข่ไก่ปุรีนั้นจ้าเมื่อ น, นั่นสินทานุใจหน่อเนาไว้ป่อเจ้าราชา ใครขีญยาเหล่าเก่าวห่อป่อเต้าตามมีเจ้าปุรีกุศลราชฟังโอกาสบุตรตาจริงใครจ้าตอบทอยว่าดูราลูกน้อยสายตาอันวาสุนันตาเจ้าและนางนอนเาสุวรรรังสีไปถึงปุรีห้องราชอยู่ฝาสาตหอใจได้จะไขเก่าอ เพื่อป้อง โ, โจพักการสององคานแม่ลูกโศกตกถูกนำนาคัานิงหาแต่เจ้าบ่ อ, อยากเข้าแลงง่ายเทียงจะตายเป็นแก่นป่อจริงเล่นมาหาคอสายตาลูกลาปิกไวานาเมื่อเมืองแม่นเบือ่อเยื่ยงกูปอก็่ออพอยังอากับที่ดาหนอไทย อย่าฮือใด้บำบายแม่นสองคาตายผ่าข้างปอเตียงมั่งตัวจอมคอบุญร้อมลูกเท่าอย่าึ้ดเล่าสันใดจุงปอกไปอย่าจ้าฮือเขาหันหนาองค์คำแดดเตอ เมื่อนั้นสินธันดใจน้อยหนอฟังกำปอไ ข, ข่จ่าคะนิ่งหาบอแล้วยังนางน่องแก้วสุวรรณรังสีจิงอันจุลีน้อมไว้ <c oughs> ซึ่งแม่ไทยปฐุมมาและสุวรรณปนภภา พ, พแบกเก้าว่าคอแม่เจ้าตั้งสองอย่าได้มองโคดรกาแก่ป่อคานันไปจุองอดใจงดไว ดังป่อไทยขอขามาจุมเร่าร่าตั้งหมู่กวนไปสู่เวียงใจรีรปวไว้อย่าจ่าเฮไดหันนาสุวรรณรังสีผู้มีราคานาดีงามอาจกับอาณาสูนันตาแด่เต <c oughs> เมื่อนั้นส่องเตวีหยอดซอยได้ยินถอยบุตตากรคำคุณามีมากจริงออกปากดาไปเจ้าห่อใจพ่อเต้าเจรใจจืดเงาเจยบ้าลจะกำบานได้แลหน้าตาแพใส่สีน้ำสองเตวีนมนากับลูกเต้าใส่ใจขึ้นจัางใจนำนาออกจากป่าเมืองเมืองเลยนะ กันกาสทธาตงสีออกจากตีนไกอันว่าหอใจภาษาดอันอินตาธิราชยอดไทยก่อกับหายต่อหน้า <c oughs> กลายเป็นป่าดงดอนพระภู้ทอกุศลาชก็เหือสองนาตเตวีภูมิสรีบอเศร้าคือแม่เจ้าเกสุวรรณนภา แหลปาตุมมมายอดซอยตังเจ้า่อน้อยสินธนุใจและสายใจองค์อาจคือสิ่งหาราชใจหานขีจ้างสารจู่ผู้ออกไปสู่เวียงใจโยธาในโหร้องสะนันกองดองตันได้เจ็ดวันมา่ขยจริงรอดเมืองใหญ่ปัญจาละนาครและนา ส่วนนั้นว่าหกใจร่ำนมเนาอันอยู่เฝ้าปุรียินข่าวมีมาไกลว่าปอไทยราชากับเสนามวลมากออกมาจากรงไพรจริงเรียวไว้ฝังเฝ้าฮืตีกองเฝ้าเนื่องนั้นแล้วเอากันพ่อนาไปรับเจ้าฟ้าพิตาค้นนำนาสะสู ไหลหลังลัวตวยไปเสนาในใหญ่น้อยไปเป็นท้อยเป็นสายจุมหกใจปีเก้าใจบาบเ้าสามานขีจ้างสารไปก่อนไพ่น้อยยอนตวยหลังเสียงของดังคาคืนดังจากฟื้นเวียงใจกันว่าไปรอดแลว้ว ที่ป่อแกวราชากับโยธ า, ามวลหมูยังจอดอยู่ในปางก่อหันบุญขวางน้องเดาคือว่าเจ้าสินธุใจเขาตกใจสาสลังเหือปุถังไหลลามอดวิววามจูผู้เต่านั่งอยู่บ่เชียนจาเขาสังกาลายลาก ว่าเจ้านี่หากบ่วมใบเราอยู่มันตายตกตาจังกับจาัดขึ้นมาแม็นบุญนาแต่ใส้เป็นดังใดนอนฝันอาซาจันแต่เหล่าหมั่เขาเจ้าหกใจยินกัวตายจู่พูกุมได้อยู่ไผมันส่วนเจ้าจอมทันหนอไทยก็เข้าไปไกลจะทม ว่าข้าแด่ใจรามปีเจ้าตุกศกเจ้าสังจ้าข้าน้องมารอดแล้วหันปีแกวหอกใจมีใจพายจืนยาวเต้ามากเป้าหิมมาป้านหนอผู้บ้านหนัดน้อยไข่ก่าวถอยนาหน้นาว่าในาข้าวข้าก่อนนั้นข้าน้องจันเตียวไป เก็บมาไลยดอกไม้ที่จิ่มไก่ริมเหวย่้ำตินเดียวปาลาตกตองตัดมาราณาคุณอินตาเตปประทไทยมาจวยไว้สับปัน <c oughs> จิงได้หันปีเจ้าขาน้องเนายินดีเจ้าบุญมีนอ น, น้อยริรำถอยลายภาคารหกสามันปีเก้าก่อตันเล่าตามไรและนะา อดันพระญาลวงกุศลราดก่อนยุอริญาตไก่กายกเสนามวลหมู่เข้าไปสู่ภายในจอตุ้งใจกวัดแข่งเต็มจุแห่งอาณาจุมพเจ้าโหร้องเสียงสนั่นกองปุรีเจ้าผู้มียศใหญ่ก็หฮซองดัดไทยสายตา กับสองขาลูกเต้าอยู่ีเก่าหัวใจแล้วมีอาตยาไหนรีพาวฮือลูกเบาหกใจกับหมอต้ายอยาบจะตั้งนางบาปกาหกคนใจมาวุนกาเศร้าแม่เข่าเจ้าหกใจเฮือผันภายกาผัากรีบนีจากปุรีเกาะีหันและนา ตามทางประกาศเซนโต ส, สัทธาสัทธาสัพปัญญุตนเป็นคู่แก่โลกคือพ้นโศกสงสารหันอุเตสาวานไปแจ้งพระจริงแสงเตสนาวะสรรจาณนาการังปัจจากันตนานะดังนี้เป็นตน เอกาเวดุราพิโุส่งตนทารงสินปใสสะอาดนันว่าเต้ากุศลราตรย า, ากันปอกมาถึงแล้วตีพาศาตรก้วหอใจโกูาในาเดือดไหมจริงจากใจเสนาเรียกโราผู้เท่าและลูกเต้าหกใจนางบาปลายหกผู้มาพร้อมอยู่โรงกัน เจ้าจอมท่านกุศราจริงตัดขาดไครจาวาสูนีนาหยาบไร้แสงจุไล่ตนคู่ใจแห่งสูก้าหยาบมักยังบาปเลือนลายโตถึงตายจูฟูบกวนอยู่เป็นคนเต้าวาตนกูไทยจักปล่อยไว้เอาบุญบ่ตารุนก้าหยาบ่อข้านับถึงตาย หัวตั้งหลายจูพผู้ย่าได้อยู่เวียงใจจุงดีไกผากนาอย่าได้จา น, านาันไฟกันเจ้าหอใจก่าวแล้วงก้งเสนาแก้วต่างตาออกกันมาจากลากออกไปจากเวียงใจกอบีหันและนา <c oughs> ลำดับนั้นพระญาลวงกุศราช์นิ่งควาตั้งไก่จะคือสายใจลูกเต้าได้เป็นเจ้าแต่เมืองกับบุญเรืองละน้อยคือนางยอดซอยสุวรรณรังสีก็ฮือตีนันตาเพรีป่าวร้องไปตัวห้องปาราวาพญายดใหญ่จะคือลูกแก่นไทยสายใจสืบเมียงใจใหญ่กว้าง เป็นเจ้าจ้างภาพปุรีเฮือเศรษฐีปอกก้าตั้งไพฟ้าเจ้าเมืองโยตาเรื่องหาหาดลูกอามาตแลหลานพญ า, าจุงไก่ก้าอย่าจะไปพ้อมดาเรียวปั้นแล้วเอากันวนเล่นอย่าไดเว้นคนไดกองดังไปข้าคืนพับแผ่นปื้นปารา คนไหลมาละลุ่มเต็มควงคุ้มบางหลวงเล่นปันปวงจู่สิ่งบ่หอระศพหนิ่งลายภากานเสียงขับขานมีกองเสียงปาดก้องของวงดังตัวโคงเมืองใหญ่สนั่นไข่เด่นไก่จ่อตุงใจควัดแกงไข่จู่แห่งอาณาปวงบุพภาดอกสอย เมิดหอยย้อยเป็นสายก้วยอ้อยลายใยายาิเล่าบอกขาดเสียให้ของกินได้มีไข่ด้าตั้งไว้เดือตาสปานานากินเล่นบ่มีเว้นอันใดกันยามใจมารอดเป็นยามปลอดภัยญาตินราชาเจ้าฟ้าก่ อ, อภิเศกลูกลาสินธนูใจ กับสรีนงไว้ลานน้อยงามเจียนจ้อยสุวรรณรังสีฮือสะเวยปุรีแผ่นกว้างเป็นเจ้าจ้างนั่งห่อใจ <c oughs> ว่าแต่นี่ไปเมื่อนาฮือโลกลาตั้งสองหายขี่มองบนเ้าได้เป็นเจ้าอยู่ที่ข้าปุงโรกาม่ใครอย่ามาไกลสันดาน จุ่มไมัยมานอุบาทย่ามาปาดอินทีสตตาดีจ้าใจเตจะไขจุ่มปูจุจมจ่มอินดูไผ่ฟาอย่าห ย, ยาบจะ ร, รมหนต่างดำกำเ้าอย่าไต่เต้าเตียวไปหนตั้งใสเส้นกว้างจุ่มบันร้างขึ้นวันจุ่มรักแป้งกันต่อเต้าถึงแก่เท่าจารา เออผ้าจ้าผยไตตั้งน้อยใหญ่ใจยิ่งได้เป่งปิงสองเจ้าหายมนเศร้ามองผ่านโซกสาร้านจื่อจ้อยบ่อตำก้อยมองเงาแดเตอกันตนราชาเก่าวแล้วเสนาแก้วต่างตา กาสัญญาติกองดังตัวห้องสามพระทัตดันมาแถมเล่าพามผู้เท่าทรงธรรมก่อไข่กัาใจโจกตามหุนโลกโบราณว่าอาจารยใจโยอาจาะเศรษฐอาจารมังกาโนมหะภโกมหายโสมหานุภาวภวันตุโบดังนี้เป็นต้น ว่าจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีเป็นทีที่จกใหญ่มารอดไข่ตึงต้นขอจำขันตั้งกูเห็นเจ้าอยู่ปารามีพกกาจังมาตั้งหมู่คานยิงใจเงินคำไายอ่านโกตตั้งแก้วมณีโจดมุกดาหาร <c oughs> ปันนาการมาเต้าจุงลังเข้ามหาวิเตจานยศใหญ่ภาพได้ไขจุมปูจุมสัตว์ถูบาทตั้งพิยาตรกาอย่าได้มาเกิดใจเฮร้อนไหมอินทีขอบุญมีสองเจ้าจุงอยู่เต้าตีข้าอย่าฟังจาราเท่าแก่อพ่อแม่เจบาน หือโลกลานจื่นจ้อยเฮือไผน้อยเย็นใจหฮือคนไหนหนุ่มเทาสุกย้อนเจ้าองค์คำแดเตอร์กันพรามมาหน้าก่าวแนวเส้นหน้าแก้วเตรียมใจตีกองใจอันใหญ่ดังกองไข่าสามนจุ่มรีปนอ่านหมื่นโหร้องขึ้นสามราและนะ ที่นี่จากวันนานาจะกล่าวถึงนางเต้าสุวรรณรังสีฟูมีลขานาดีบวัวเศร้ามีบนเก่านำนาได้ก้ตาตํมมารวมสร้างกับเจ้าจ้างสินธานุใจรวมจิตใจหลายจาดหมายน้ำยาเตรียมมา <c oughs> เมื่อยักขาตนปอนำไปต่อปันธานั้นลวดเสียสุวรรณลูกเต้าแก่นากเจ้าปุรีฮึเป็นเทวีอยู่ไปที่ลุ่มไตเมืองมัน <c oughs> นากมาผันตีไก่กอร่อนไหมเหมือนไฟเต้าอยู่ไก่และลวาดบอได้ขาดมันยามฮ้องรามน่อยนาดอยู่ภาศาดเดียวได กันไปกายที่ไกลก่อร่อนไหมตั้งตัวหนกักพ้อกลัวสะตานบอ่อจังตาไปได้สีนงไว้หมุนเ้าทราบต่อเต้าสินธนูใจติดตัวไปภาพใดเอานางหนอไทยขึ้นมากันสัตตาหันใส่ยังเจ้านอไทยบุญมีก่อนยินดีจมื่นปีที่ตื่นเจยบาน <c oughs> เหตุสมพานหลาจ่าบ่อได้ขาดเสียกันและน้าอันว่ามหาสัจเจากับนางนอเนาสุวรรณรังสีเสวยปุรีไ่กวางเป็นเจ้าจ้างผาปราบีเตจ่าหยดเจ้าเต้าต่างดาวขาสมพานปันนาการหลแล่เขาน้อมแห่มาถวาย คนยิงใจดมเทาบ่อมอนเศร้าเครื่องเี่เขาน้ำมีลายหลากลูกไม่มากนำนาเข้าของหาบ่อไรคนกึนไข่พับเมืองป่อกาเนือองลาลาดโยเต็มกาดไายของเสียงก้องก อ, องมีก้องดังตัวห้องเวียงใจสัตว์ทวไกภาคนาโจนไถยจ้าบ่อมาเบียน <c oughs> โซกซาเทียนตัวห้องพาพเขต้องปารากอมีันเลยนะตาต่อปัะ ธ, ธานยาแรกแต่นั่นไฟนาว่อเนินจ้าหึง น, นานพญาภูบาลกุศลตั้งดังนาเตวี อยู่สวัสเดีเตียงเต้าลวดแก่เท่าจราสองดวงตาเมืดเจ้าเพียที่เข้ามาปั้นกอดับพันภาคนาไปเกิดจันฝ่าไปบนหนอตาสาปนเจียงเจ้าตกโศกเศร้าเหลือหลกันโศกาหายเสียงขาดก็พร้อมอาหมาตและเสนา <c oughs> แต่งดางดาลายหลากแล้วเลึกซากทรงสักการตามโบราณแต่ก่อนบอกฮือพันสักพักการก็มีฮั่นแน่นาส่วนสุวรรณสิงหาราชกันเสียงขาดพระมันดาก่ออำลานนองไทยไปอยู่ป่าไม้ดงดำ ให้ยังกำบอกไว้ว่าแม่นไัยใหญ่มาจู่หืนยิงทะนูไปบอกปีจักปอกป่าปันกันใครปันบอกแล้วก็กาดแกอลาไปอยู่ดงไพรป่าไม่ตามมักไฟยินดีอยู่ดงรีเป็นเตือกันเยยงเบื่อดองนาก็ปอกมาอยู่ห้องคงเคต้องเวียงใจ แล้วปอกไปตีเก่าอยู่ป่าเสาดงตันเวียนพัดพันไตเต้าท้าราบต่อเต้ามาราณาเกาะมีหันและนาะโ <c oughs> สปานาราชาสวนอันว่าพญาสินท์ธูใจญาชกกำลังนาสุวรรณนรังสีอยู่สันสดีเตียงเต้า ก็ได้ลูกเตาใจเดียวชมชาเหลียววิลาชลักขณะอาจกวนอามรูปขิงงามผ่องแผ้วเล่าเลิศแล้วเหลือคนพญาตนเป็นป่อจิงใสจื้อนอบุบตาว่าสังขาราจานอไทยฮืออยู่ไกลแปงปันนางกำนันอยู่เฝ้าตกคำเจ้าลุมลาก็มีวันนั้นและนา เตระสมังกันดังน้นี่ตังขีญาสังวัน น, นาวิเศษจาห้องเหตุสังสินธนูใจหกสิบสามกอบังก้มสมร็จเสร็จแลออกเตานี้ก่อนแล